ดด้วยอกโกสวัตถุ1ิบอย่างต้องะบัตปาจิตตีคำว่าบริภาตคือแสดงอาการที่น่ากลัวต้องะบัตปาจิตตี